พระธรรมเทศนาลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าลูกเขยผู้ใหญ่บ้านสมัยโบราณนะพอลาสิกขาไปเล็กเขาเรียกว่าอาจารยนะ์แปลว่าเป็นผู้นำชุมชนได้บวชมานาน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 วันไหนเป็นวันลืกงงามยามดีเกิดแปลว่าอาจารย์เนี่ะแปลว่ารอบรู้ทั้งหมดทำงานแต่เกือบทั้งหมดเพราะเพราบวชเข้ามาหลายปีมาเรียนก่อนที่จะลาสิกขาออกไปนี่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องออกไปแล้วจะช่วยชุมชนสังคมอย่างไรออกไปก็เขาเรียกว่าตั้งวาจารย์เป็นนักปราชญ์อาจารย์คําว่าเท็ดที่ไหอบัณฑิตทำงานแต่ แปลว่าบวชชั่วคราวบวชสองสามสี่ห้าวัว 3, 4, วนพอพอได้สัมผัสพอก็ามาบวชแล้วก็ยังไม่ถึงสามปีอย่างที่ว่านศึกออกไปในยเขาเรียกว่าทิทศ เ, เทศนั้นทิทศนี้เขาบอกบัณฑิตนักปราชนักบัณฑิตนักปาราชัยคล้ายๆว่าได้สัมผัสหน่อยนึงก็เรียกว่าทิทศแต่คนบวชยังไม่ ไม่ครบพระเนี่ยเป็นเนนบวชเป็นยังไม่ครบพระลาสิขาไปอันนี้เขาเรียกว่าเซียงวะเซียงนั้นเซียงนี่เหมือนกันแว่าเซียงเนี่ยแปลว่าคนที่บวชยังไม่ไม่ถึงไม่ครบพระเคยบวชเคยผ่านการบวชมาแล้วอันนี้ว่าเซียงเซียงนั้นเซียงนี่ยังว่เซียงแบ๋บวเซียงเมี่ยงลักษณะอย่างนั้นเหอนกันะ อันนี้ก็คือคำใช้กันในใ น, ในภาคอีสานว่าทิดบันดิตแต่ความรอบครอบจะต่างกันอย่างหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังนี่นิทานทิศกับจานทิศกับจานจานหนึ่งคือบวชนานอย่างที่ว่านะทิศหนึ่งคือบวชใหม่ ทีนี้ในหมู่บ้านเี่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอสักไม้ก่อนผู้ใหญ่บ้านก็มีอิทธิพลในระดับหนึ่งนะเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคมในหมู่บ้านเป็นที่ยอมรับเนกะันเลือกขึ้นมาฐานะก็ดีความรู้ก็ใช้ได้ปกป้องหมู่พวกเพื่อนได้ ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านน่ะเป็นผู้เสนอหน้าออกรับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้ส่วนกำนัลน่ยมีอิทธิพลขึ้นมาควบคุมหลายหมู่บ้านเข้ามาเป็นกลุ่มอันเดียวกันเป็นผู้ถ้ากำนันพูดเน่ยโอ้เหมือนกับ น, นายอำเภอพูดถ้ามีคดีความเกิดขึ้นนี่ย ถ้าขึ้นศาลผู้ใหญ่บ้านพูดยังไม่ฟังไปถึงศาลํำนันโดยมากจะจบที่ศาลํำนันํำนันจะพูดแบบมีอำนาจใช้ตัวบทกฎหมายพูดขึ้นมาชาวบ้านต้องยอมรับแนั้นํำนันถ้าไม่ถ้าไม่เหลือบา ก, กว่าแรงจริงๆจะไม่ถึงอำเภอถ้าถึงอำเภอไปว่าโอ้แปลว่าหัวหมออย่างเต็มที่แล้วงั้นแปลว่าสู้กันอย่างสุดๆใครไม่ยอมใครล่ะ ถ้าถึงอำเภออันนั้นแปลว่าคนโบราณเขาอยู่ด้วยกันแต่โดยมากถึงศาลผู้เยาวบ้านก็ปรับไหมใส่โทษทําทำทำไม่ถูกถ้าถึงศาลกำ น, น, นะะันก็หนักหน่อยเรื่องลือกันไปทั้งตําบลนะถ้าใครไปทึ่งขึ้นทึ่งศาลกำ น, นันแต่นี้ก็ผู้เยาวบ้า น, นะะเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านเนี่ยละวระจายนคือโดยมากกระบทวา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 สมพานก็ศึกมันกันนะทีนี้พอศึกเข้าไปก็เรียกว่ า, า, าอาจารย์นักปราชญอาจารย์ชุมชนเขาก็ยอมรับเพราะว่าเป็นผู้สมัยเป็นสมพานก็เป็นที่พาชาวบ้านทำกิจการงานทำบุญทำทานบุญประจำปีบุญพ่เวยบุญอะไรคือสมพานเป็นผู้พาทำเป็นผู้พาดำเนินในเมื่อสมพานศึกลงไปแต่ลองสมพานก็ขึ้นมาเป็นสมพานต่ออีก อันนีนะ้คือการสืบทอดตั้งแต่โบรมโบราณแต่นี่มาพูดเกี่ยวกับความรู้ทิศกับจานเท่านี้นจานเนี่ยพอศึกออกมาแล้วก็ก็เป็นผู้นำชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้นำชุมชนของชาวบ้านนั้นผลที่สุดจานเนี่ยก็ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีลูกสาวสองคน อแต่ว่าเห็นจานมาเนี่ยก็เออเอาจานกับขอลูกสาวพ่อใหญ่บ้านแต่งงานพ่อใหญ่บ้านเอาไม่ขัดข้องเพราะเห็นเป็นผู้นําชุมชนอยู่แล้วก็ เ, เลยแต่งงานอาพอแต่งงานเสร็จแล้วก็เอาต่อมาอีกทิด ต, ต่อมาอีกทิดสิกอีกมาไปแต่งงานกับลูกสาวพ่อใหญ่บ้านอีกพ่อใหญ่บ้านก็ได้เลยได้ลูกเขยทิดกับจานเท่านั้นะตะ พอต่อมาที่นี่อยู่ในบ้านเดียวกันลูกเขยจานกับลูกลูกเขยทิดกับพ่อแม่พ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านกับแม่บ้านเออเราจะเอาลูกสาวของเราเนี่ยเราก็ดีทั้งสองคนนะั่นแหละแต่ว่าทิดกับจานเนี่ยเราจะเอาใครมาเลี้ยงเล่าวาเนี่ยคนวบรานเขาคิดนะถ้าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน ครอบครัวสองครอบครัวจะอยู่ในที่เดียวได้ยังไงหม่ๆมันก็ดีหรอกต่อพอมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็ทําการทํางานเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาเดียวกว่าจะทะเลาะกันได้ง่ายๆสองตายายก็นั่งคุนคิดกันเราจะเอาใครว่ามาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงเราในบวาน่าจะเลือกครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยเอกอ๋ อ, อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทดลองดู ไอ้ทิดลูกเขยทิดกับลูกเขยจานเนี่ยใครจะมีความรู้ความฉลาดไอคิวสูงกว่ากันเนี่ยเขาจะสอบไอคิวได้สมัยโบราณสอบไอคิวสอบอ q คิอควรวมกันอ่ะแต่เขาสอบยังไงฟังๆเลยที่ว่าผู้ใหญ่บ้านสอบไอคิวลูกเขยทิดลูกเขยจานเขาจะสอบยังไงจากนั้นผู้ใหญ่บ้านกับแม่บ้านก็นกนตกลงกัน เส็จแล้วก็เอาวันหนึ่งวันดีคืนดีขึ้นมากับผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกเขยจานเนี่ยลูกเขยทิดเนี่ยลูกเขยทิดพาออกไปนอกบ้านก่อนพอไปเลยไปเห็นห่านนะอา่ลูกเขยทิดเนี่ยตามปะพ่อจะพาไปธุระ้ลูกเขยทิดก็ตามหลังพ่อตาไปพอไปออกนอกบ้านตามปกติชนบทเนี่ย บ้านนอกนะเขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านเลี้ยงในชุมชนว่าอะไรมันเหม็นเนี่ยเอเหม็นขี้หมูขี้ไกเ่เขาจะให้ออกไปเลี้ยงข้างนอกนอกบ้านนะแตอนนี้เขากับใครอยากจะไปเลี้ยงเลี้ยงขอบหมู่บ้านนะนะมีแหล่งน้ำมีอะไรก็มีหมูมีไก่มีเป็ดมีหา่านนี่ครบนะพวกวัวพวกควายวเขาก็เลี้ยงทีนี้ลวงพ่อตาก็เลยเดินผ่านไป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 ลูกเขยทิศเป็นลูกเขยคนเลนะ็กเน่ะทิศทําไมหานจึงร้องเสียงดังทิศก็ตอบเลยว่าเพราะมันคอยาวพ่อมันคอยาวก็เลยร้องเสียงดังอืมใช่หานมันต้องคอยาวร้องเสียงดังเข้าท่ามีความคิดดีเนะี่ยเพราะไปทดลองไอคิวเนี่ยใช่ไหมทดลองความรู้เนะี่ยก็เดินไปอีก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 เออตอบตรงประเด็นดีในใจนะเอาพากลับบ้านพ่อกลับมาอีกสองสามวั น, ดน เ, าา เ, าาเดนไอจานไอจานป่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำธุระหน่อยเทนี้ก็ลูกเขยจานก็เห็นพ่อตาเรียกก็ตามหลังไปอีกอีกวันสองสามวันต่อมาพอไปเห็นห่านมันร้องเดนไปเคอจะไปทดสอบหรือว่าแนวความคิด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 พ่อตาได้สังเกตไหมอื่องอ่างเนะ่ะมันคอมันสั้นๆทำมันมันร้องเสียงดังกว่าหานี่อีกเออทางพ่อตาเออใช่วะเอื้องอ่างมันคอสั้นนิดเดียวแต่มันร้องเสียงดังกว่าหานอีกนะ เ, ออเวลาอื่องอ่างมันร้องเนะี่ยพ่อตาเออไอ้นี่ความคิดปแปลกๆป่ะพาไปอีกไปเห็นหน่อไม้อีกจานทําไมหน่อไม้มันยังขึ้นมาจากดินได้เพราะอะไร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 ธรรมชาติธรรมชาติของมันเหตุมันจังผุดออกจากคอนไม้ได้มันยิ่งแข็งกว่าดินนี้อีกมันภาษาอะไรดินเต่อไปเอกพ่อตากระพาไปอีกไปเห็นเป็ดมันว่ายน้ำพ่อตากระถามอีกอาจารย์ทำไมเป็ดยังว่ายน้ำได้อาจารย์หมวดธรรมชาติไปว่าอาจารย์ไปว่าพูดธรรมชาติทั้งนั้นว่ธรรมชาติมันพาเป็นไปอย่างั้น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 ธรรมชาติอะไรมันเม็ดผักเม็ดพันธุ์พืชมันก็ต้องลงในดินแล้วก็รดน้ําทุกวีทุกวันทุกวีก ว, กวันความชื้นขึ้นมามันจึงเกิดเป็นผักขึ้นมาได้ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่รดน้ําก็ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ารดน้ำแล้วจะเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ใช่นะบางสิ่งบางอย่างถึงจะรดน้ําก็ไม่เกิดก็มี เ, เห็นไหมหัวล้านพ่อตาเนี่ย อาบน้ำอยู่ทุกวันรดน้ำทุกวันไม่เห็นมันเกิดผมลูกเขยจานมาเอาหัวพ่อตาลงไปเล่นเลยม่ะพ่อตาอาบน้ำทุกวันรดน้ำทุกวันไม่เห็นมันเกิดผมเหมือนโอโ้พ่อตาถูกมัดนี้เข้ามาพ่อตาก็โมโหขึ้นว่หาว่าลูกเขยเอาหัวล้านมาเล่นเหมือั้นเถอะเออก็เลยหยุดพูดกันกลับมาบ้าน พอกลับมาเออมาพูดกับสองตายายเลยพูดกับแม่แม่บ้านเออลูกเขยทิกกับลูกเขยจาย์พาพาไปฟังไปแล้วความคิดของเขาเนี่ยแต่ชั้นเชิงเนี่ยสู้จาย์ไปได้จารย์รู้สึกว่าซิกแซกดีกว่าแล้วรอบคอบดีกว่าเอาตอนนี้ไปเราควรจะให้อาจายนเะนี่ยให้อาจารย์เนี่ยลูกเขยคนโตเนี่ยนะ่ะมาเลี้ยงพวกเรา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 ก็วเลือกคนดีมันเลือกอยากเลยเกินอโดยมากมันมีไต่เอาเรื่องเ อ, อมาปิดมาปิดมาปิดบังเอาไว้แต่ความชั่วช้าเสียหายเนะี่ยเขาไม่ให้เห็นเขาให้เห็นแต่สิ่งที่มันดีเลี่ยมที่มันดีพวกเราก็เห็นแต่ว่าเลี่ยมที่มันดีอ้าวเลือกคนนี้เข้าไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัล เ, เป็นผู้แทนรัษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแต่ที่แท้ มันซ่อนเล็บมันไว้อยู่พอเข้าไปเท่านั้นแหละพอเข้าไปมีอํานาจวาสนาขึ้นมากลางเล็บออกมากลางเขี้ยวออกมาเท่านี้เราจึงรู้จากโอ้โหกําพืชมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่นิ่มมันไม่ใช่ดีจริงมันดีหลอกเฉยเพราะว่าพอบริหารบ้านเมืองจริงๆเข้าไปแล้วมีแต่เล็บมีแต่เขี้ยวแต่ที่ไหนได้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 กระจกเงาให้แก่ชุมชนและสังคมอยู่ น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้หลวงพ่อนํามาคิดนํามาพิจารณาดูมันถูกใครเข้าว่าคนดีเกิดอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั่นแลร่มเย็นเป็นสุขถ้าภาละชนเกิดในชุมชนใดชุมชนนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนี่<ม>แหละเราจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดนะ